พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าความอิจฉาพาให้วุ่นวายพระทั้งหมด สามสิบรูปสัมมเนนหนึ่งรูปพระลงมาฉันยี่สิบสี่รูปงดฉันเจ็ดรูปที่ไม่ลงมาฉันก็ภาวนาของท่านน่ะในวัดของเราท้าเจวาไปแล้วก็เป็นสถานที่เหมาะมากมันที่กว้างขวางทั้งพันกว่าไร่ถ้าใครอยากจะภาวนาอยากจะเร่งความภาคเพีย หลบไปอยู่ทางหลังวัดจะไม่ให้เห็นใครเลยก็ได้นั่งภาวนาทั้งวันทั้งคืนเดินยอกลมตลอดทั้งวันทั้งคืนได้และทางเดินยองกลมเป็นถนนข้างในเป็นถนนคอนกรีตเอาไม้มา ก, กั้นเป็นชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เดินยอกลมไม่มีใครผ่านพุกพ่านอีกต่างหากเวลากลางคืน กลางวันอาจจะมีอยู่บ้างสรุปแล้วก็คือที่วัดมันกว้างได้เปรียบหรือได้ไประโยชน์ในการจะบำเพ็ญ จ, จิตภาวนาสำหรับพระกรรมฐานหรือว่าพระทุดงหรือว่าพระที่ตั้งใจภาวนานแต่ถ้าว่าตั้งถ้าพระคุยกันนี่ก็ลำบากสักหน่อยเพราะมันอยู่ห่างไกลกันแล้วเดินไปหากันลำบาก พระคุยกันเหนแต่แภาวภ า, าวนาเนะี่ยต่างองค์ต่างอยู่อยู่คนละมุมกันภาวนาอากาศก็พอดีพอดีช่วงนี้ไม่ถึงกันหนาวมากกลางวันก็จะนั่งภาวนา น, านเท่าไหร่ก็ได้เดินจงกรมเท่าไหร่ก็ได้ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป แต่ข้อสําคัญอย่าไปให้กิเลสนําความรู้สึกของตนเองออกเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวกิจท่านเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวฉันนั้นเดี๋ยวฉันนี่เดี๋ยวมีธุระนั่นเดี๋ยวมีทุละนี่อันนั้นแปลว่ากิเลสนําเพราะฉะนั้นพวกเราให้สังเกตเราจะนั่งภาวนากี่ชั่วโมงวันนี้ต้องมีความสัตย์จริงเรื่องทางอื่นกับเรื่องอย่างอื่นเอาไว้เอาไว้ก่อนะ เราจะไปถือเรื่องอย่างอื่นเป็นภาระหน้าที่จนเกินไปเรื่องภาวนาเนี่ยคือภาระหน้าที่ของเราในขณะนี้อย่างอื่นเอาไว้ก่อนวันนี้เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ัาถ้าจะว่าเป็นวันสำคัญก็เป็นวันสำคัญของประเทศมีการ เลือกผู้แทนราชดรนในวันนี้นะรัฐบาลเขาให้เลือกผู้แทนราชดรแต่บ้านเมืองคราวนี้ครั้งนี้เลือกการข่าวนี้รู้สึกว่าไม่ปกติเท่าไหร่ที่หลวงพ่ออยู่วงนอกอยู่ในป่าดงพงไพ่นะ่ะได้ยินข่าวรู้สึกว่าบ้านเมืองไม่พร้อมเพียงสมัคคีกันเท่าที่ควร แต่ตามไม่จริงประเทศชาติบ้านเมืองเมืองไทยของเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากข้าวน้ำโภชนาอาหารมีเพียงพอเลี้ยงคนในชาติขายต่างประเทศอีกต่างหากแต่ว่าคนในชาติมีความอิจฉาพูดง่ายอย่างนั้นะอิจฉานี่สูงมากคนในชาติของเรา ก็มีความอิจฉาเข้ามาทั้นั่นแหละเห็นคนอื่นดีทนอยู่ไม่ได้แล้วก็คนที่ดีดีจริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องต่างคนก็ต่างพิสูจน์ตัวเองถ้ามีแต่ว่าเขาอิจฉาตัวเองอิจฉาตัวเองตัวเองทำเลวยิ่งกว่าอะไรจะไม่ให้เขาตำหนิฉเฉลยก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วท่านให้ให้มองตนเอง ว่าค่าเนี่ยเป็นยังไงที่เขาตำหนินั่นน่ะมันเป็นอย่างที่เขาตำหนิหรือไม่ถ้าเขามันเป็นอย่างที่เขาตำหนิเราก็ปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ว่าดันทุลังใช้ทิฏฐิมานะใช้พักใช้พวกอ่ามันก็ไม่ถูกมันต้องใช้เหตุผลใช้ความถูกต้องใช้ความเป็นธรรมหเห็นว่าเอคนมาก ประชาธิปไตยคนมากจะเป็นผู้ชนะทีเดียวก็ไม่ใช่คนที่เลวก็มีในหมู่มากนั้นเพราะพระไเจ้าท่านไม่ได้ถือว่าใครหมู่มากจะเป็นฝ่ายชนะไม่ใช่ถ้าใครเป็นภาลชนโจรห้าร้อยมันก็ต้องชนะที่บัณฑิตนักปราชญ์ไปคนเดียวก็มีแต่พวกนั้นเป็นโจรห้าร้อยพวกที่ห้าร้อยมันก็ต้องชนะจะว่า เพราะพวกห้าร้อยนี่นแหละเป็นผู้เป็นธรรมแต่แกเอาเงินมาเอามาให้เขาเอานี่นแหละอันนี้นก็คือเราก็ต้องคิดว่าโจรห้าร้อยน่ะทำถูกต้องไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราไม่ได้ตาหนิใครเราตาหนิเท่ว่าความเป็นธรรมและความถูกต้องความมีเหตุมีผลความเป็นธรรมอยู่น้าที่ใดไม่ว่าคนมากไม่ว่าคนน้อยไม่ว่ากลุ่มไหนถ้าคนมีธรรม คือหลักเหตุผลอยู่ในจิตใจแล้วนั่นแหละถูกต้องอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าให้สิทธิ์พระสงฆ์นะเวลาเข้าประชุมสองฆ์อย่างนี้พระสงฆ์จะประกาศนี่นี่นะหลงมติอย่างนี้เนาะสงเห็นด้วยไหมจตมาตุนพีเอวเมตังธารยามิถ้าสองฆ์องค์หนึ่งยืนยกมือขึ้นมาคัดค้านข้าพรเจ้าไม่เห็นด้วยในที่สงหลงมติทั้งหมดเนี่ย ท่านไม่ว่าเลยครึ่งเลยไม่ชอ่สงห้าร้อยสองรอยห้าสองค์สองอยห้องค์เนี่เห็นด้วยแต่ว่าตกไปไม่ใช่ในพระวินัยของพระพุทธเจา้าองค์เดียวเท่านั้นละ่ะพระห้าร้อยองค์เดียวเท่านั้นคัดค้านข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยในสงสี่ร้องค์เนี่ยที่ลงปติกันเมื่อกี้นี่แต่นี้พระสงฆ์ทางไหนก็หยุดล่ะ แต่ว่าสังกักรรมทําไม่ได้ละเพราะว่าองค์นี้คัดค้านองค์เดียวคัดค้านแต่ได้สงฆทั้งห้าร้อยกิเรียกองค์นี้เข้ามาเอามาชี้แจงที่ท่านไม่เห็นด้วยเนะี่ยมีอะไรเนี่ยท่านที่เห็นที่ท่านไม่เห็นด้วยเนะี่ยมีอะไรถ้าท่านจึงไม่เห็นด้วยชี้แจงถ้าองค์นี้ชี้แจงงูปลาไม่มีเหตุไม่มีผล อแบบข้างๆคู่ๆใช้เตทิฐิมานะดันทุลังไปสงประกาศเลยเีสงประกาศเนี่ยองค์นี้เนี่ยท่านชี้แจงไม่เคลียชี้แจงไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมสงประนามอย่าทําอีกนะถ้าขืนทำอีกต่อไปน่ยไล่ออกจากสงปรับอบัติเนีเผอเผอจะปรับอบัติสังขารทิเศษสูงมากเลยทธเนี่ยเธออย่าทําท่านอย่าทำอย่างนี้อีกทําให้เสียเสียการปกครอง ท่านพูดไม่มีเหตุผลเลยนี่ท่านพูดอย่างนี้มันมีเหตุผลยังไงสงต้องชี้แจงในมือชี้แจงในจังดันพลังอีกครั้งที่สองครั้งหนึ่งสามนั่นแหละทีานี้ยอภัยเหรอไม่นับเรื่องเข้าเป็นหมู่ของสงพระองค์นี่ทําให้เสียหายนี่แหละการปกครองในครั้งพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าปกครองสงท่านให้กดและเบียบอย่างนี้นะอย่างพระฉันนาก็เหมือนกันที่พาพระพุทธเจ้าไปบวชออ นายชนะขี่ม้าพระพุทธเจ้าขี่ม้านายชนะเกาะหลังม้าไปถึงแม่น้ํามโนโมนาได้ทีพอบวชพระพุองทรงผนวดที่แม่น้ําเสร็จแล้วก็ฮะเอ า, เอาชนะเอามา้าเอาเครื่องประดับของเรากลับไปแจ้งให้พระบิดาพระประยุรญาตได้รับทราบว่าเราทรงผนวดแล้วไปกลับไปชนะ ชนะก็เป็นลูกน้องนะี่อืดอาดอ่อแอไม่ได้ว่าเจ้านายสั่งเพราะเจ้านายสั่งคำไหนก็คำนั้น น, ะนายชนะก็ได้ห่อเครื่องประดับแล้วก็ขึ้นขี่ล้างม้าขันตะกะกลับไปทางเก่านะี่พอขึ้นไปเลยก็มา้าเออคิด ว, ว่าเจ้านายจะขึ้นไปด้วยแต่ที่ไหนได้ไม่แต่ชนะ น, นั่งคนเดียว ม้าท่นม้าทนั้นก็ออกไปพอวิ่งไปพอรับสายตาสิท ธ, ธะเจ้าของท่านั้นแหละม้าก็คิดถึงเจ้าของเอาทําไมมีแต่ฉันนะ น, นั่งอยู่คนเดียวพอม้าแสนรู้เนะี่ใช่ไหมเอี่ยพวนทิศ ก, ก็เลยม้าก็เลยระลึกถึงคิดถึงเจ้านายหัวหัวใจแตกทำลายเนี่ยแปลว่ามา้า <c oughs> ตัวนั้นก็เลยตายอตายในในตรงนั้นอ่ะที่ ตาพระพุทธเจ้าที่ทัตตาสิท ธ, ธัตถะจากนั้นชนะองคงจะได้แต่เครื่องประดับแล้วแสงดาบก็คงจะเดินด้นดั้นตามที่ที่ทางมานั่นกับเวียงวังมาแจ้งข่าวว่าสิท ธ, ธัตถะทรงผนวดแล้วที่แม่น้ำมโนมาณาทีในกรุงเขตแขวงกุงราชจะคือเนี่ยกลับมา พอระพุทธเจ้าบำเพ็ญอยู่หปีท่านก็ได้ตัดสรูเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านประกาศพระพุทธศาสนามีพระสาวกเยอะแยะทีนี้มีอ克ราสาวกโมกคลาสารบุตรพระอานนทีงนี้พระทั้งหลายก่อนเคารพนับถื อ, อยกพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูพระพุทธองค์ก่อนเนตั้งพระสาวกองค์นั้นได้รับเอตทะาทางนั้น องนี้ได้รับเอธัตตะคะทางนี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอริยมรรคมหาสาวกแปดจุดพุทเนี่ยที่ได้รับเอธัตตะคะได้รับความยกย่องจากพระพุทธเธจ้าแต่นายชนะประมาังกระ บ, บวตปไปนายชนะที่นําพระพุทธเจ้าไปบวชพอบวชเข้ามาแล้วทีนี้พระองค์ก็ไม่ได้ตั้งเอธัตตะะอะไรแต่นายชนะเนี่ย ไปเห็นใครกันเนี่ยอวดสักดาเลยสินี่พระชนะเนี่ยพวกท่านทั้งหลาย อ, อองค์นั้นเป็นข่าเป็นโมกคลาเป็นผู้มีฤทธิ์มากเนี่ยข้าเป็นสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากเลยรับเอธะจากพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปบวชน่ยใครเป็นผนพานําไปข้าไปเจ้าเนี่ยชนะนเนี่ยเป็นผู้นําไปเออชนะอวดสักดาเกันจากนั้นก็ด่าองค์นั้นด่าองค์นี้เหมือนกัน วพราพระในแถวนั้นไม่มีใครที่จะสู้หน้านชันนะเลยปากกากระพระองค์ก็กรกเรียกมาช น, นะเธอจะไปพูดอย่างนั้นอันนั้นเป็นกัลยาณมิตรของท่านท่านบำเพ็ญมาในอดีตชาติเราจะได้ให้ตำแหน่งนั้นๆเธออย่าไปทำตนอย่างนี้ไม่ดีเป็นอริเป็นศัตรูกับพระเทระเหล่านั้นเป็นบาปอกุศลนะบาปนะ เงียบไปไม่พูดแต่พอเพ้อเ พ, เ พ, เพ้พูดเอกด่าเอกพระพุทธเจ้าก็ยอมแพ้เหมือนกันนะแพ้พาลชนแพ้คนเก่งเหมือนกันเถอะพระองค์บอกว่าดูก่อนอานนท์ดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายดูก่อนอานนทนะ์ในเมื่อเราต ถ, ถาคตผ่านไปแล้วให้พวกท่านทั้งหลายลงพร ม, มัทันให้พงลงพ ม, มทันกับชันนั่นนะ พระอนุนก็ถามว่าลงผมมทันนั้นทํำฉนยัยพระเจ้าค่ะเออทําอย่างนี้ น, นี่ครับผมแต่เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าท่านอา น, นุนพระพุทธเจ้าได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างก่อนที่จะปรินิพานพระอนุนก็บอกว่ามีอยู่สองสามเรื่องที่เรื่องใหญ่คือเรื่องหนึ่งก็คือพระองค์สั่งว่าพระธรรมวินยัยหลักพระธรรมวินยัยที่เราบัญญัติไว้นะ่ะ มันมากเกินไปและยุมหยิมเกินไปเพราะวินยนะัยเนี่ยถ้าว่าสงทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันจะถอดถอนวินยัยซิกขาบทไหนกฎหมายข้อไหนพูดง่ายๆก็ให้ถอดถอนได้ที่ลงที่สงลงมติกันแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือให้ลงพรมผร ม, มทันกับช น, นะในเมื่อเราผ่านไปแล้วเดี๋ยวนี้เราทําทำอะไรไม่ได้เพราะว่าช น, นะไม่ยอมพะพรพุทธเจ้าก็ยอมเหมือนกันนะ ยอมคนเก่งเลยจากนั้นก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็เรียกพระชันนะมาเถอะนชนะนนะพระพุทธองค์สั่งว่าเมื่อเราแตถาคตปรินิพานแล้วให้ลงพมมทันกับช น, นะบัดนี้พระพุทธองค์ปรินิพานแล้วคณะสงฆ์พร้อมแล้วจะลงพมมทันกับท่านนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสงสวดประกาศนะนะสนั่งเป็นเป็นร้อยเป็นพันนั่งสงสวดประกาศเลยนะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านช น, นะที่พาพระพุทธองค์ที่ตามพระพุทองค์ไปทรงผนวดก็จริงอย่างที่ท่านช น, นะแต่ว่าแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านช น, นะนะจะด่าองค์ไหนชอบใจองค์ไหนจะด่าองค์ไหนจะดูถูกองค์ไหนจะทําอะไรองค์ไหนทํ า, า, าได้ตามสบายด่าได้ตามสบายทรงอนุญาตให้ท่านทําทําได้ แต่ประกาศให้สงได้ทราบวา่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสงอย่านับเนื่องว่าช น, นะในเป็นหมู่ของเราปล่อยให้อิสระเขาจะดา่าเขาจะว่ายังไงอย่าไปต่อว่าต่อขานกับเขาให้เขาด่าเลยเพราะเราไม่นับเนื่องว่าช น, นะเป็นหมู่ของเราแล้วปล่อยให้เป็นอิสระเท่านั้นละ่ะสงประกาศไม่ให้ร่วมกินไม่ให้ร่วมนอนไม่ให้ร่วมสังกกรรมไม่ให้ร่วมยืนคุยด้วยไม่ให้คุยด้วยกับช น, นะ ให้เป็นอิสระให้อิสระต่อชนะเนะพอพูดทนั้นเลยชนะได้ยินเั่านั้นแนหะหงายหลังผึ่งเลยเป็นลมเลยเอยพอลุกขึ้นมาได้บ่ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีข้าพเจ้าจะยอมต่อสงขอให้สงว่ากล่าวตักเตือนเหมกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เ, เหมือนกับสงทั่วไปสงเลยประกาศอีกทีอ้าวชนะเขายอมแล้ว ขอให้สงฆ์ทั้งหลายรับรู้รับทราบร่วมกันให้นับเนื่องว่าช น, นะเป็นหมู่พวกเพื่อนของพวกเราตามเดิมอย่าไปลังเกียจเดียดสรรทันนะนี่แหละจากนั้นพระชั น, นะก็ไม่นานท่านก็บําเพ็ญภาวนาของท่านอท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์เหมือนกันนะอแต่ทิฏฐิมานะช่วงนั้นไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนี่แหละในพุทธศาสนามีไหมสรุปแล้วอทิฏฐิมานะอย่างนั้นอย่างประเทศไทยอย่างทุกวันเนี่ยมันมีไหมมี ความอิจฉาของช น, นะเอว่าองค์นั้นยกพระพุทธเจ้ากอกนั้นองนี้ลืมตัวอ่านนี้ก็เหมือนกันในประเทศไทยของเราในช่วงนี้คือคือความอิจฉาอิจฉาตาเหลือกันทั้งที่ไม่อดไม่อยากอาหารการบริโภคอุดมสมบูรณ์มีอยู่มีกินเอแต่คนในชาติอิจฉากันอิจฉากันอย่างที่พวกเราเห็นไม่ใช่อิจฉาธรรมดาถึงฆ่ากันได้เออ ดูๆแล้วมันน่าทุเลตทุลังถ้าเปรียบเทียบกับหลักธรรมคำสอนแล้วขาดเมตตาต่อกันตามไม่จริงต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีเมตตาต่อกันต่างคนต่างทำมหาเลี้ยงชีพอันไหนผิดอันไหนถูกในประเทศไทยส่งไปเรียนหนังสือต่างประเทศปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาไม่รู้กี่แห่งสอนคนให้เป็นคนดีสํานึกไม่ได้เลยว่าอันไหนดีอันไหนเลว ถ้าหาวัานึกไม่ได้อันไหนเดีวอันไหนดีไม่รู้จักกรดีไม่รู้จักกับเร็วจะปกครองประเทศชาติได้อย่างไรดีเละเลวไม่รู้หรอถ้าทุกคนมองตนเองหลวงพ่อว่ามั่นใจว่าทุกคนจะรู้ได้ว่าข้าพเจ้าจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างไรที่จุดบกพร่องของข้าพเจ้าเนี่ยตรงไหนอย่างไรข้าพเจ้าจะแก้ไขสิ่งสิ่งที่มันไม่ดีในตัวของข้าพเจ้าได้อย่างไร ถ้าว่าทุกคนบริสุทธิ์หมดหมดจดแล้วอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านมองดูท่านแล้วหมดที่จะแก้ไขเพราะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจแลวหมดละไม่มีถิงจะริงจะแก้ไขแล้วอันนั้นคือความบริสุทธิ์ถ้านอกจาก น, นั้นมามันก็ต้องมีท่นี่มองตัวเองเราคิดดีหรือเราคิดชั่วเมื่อคิดดีหรือคิดชั่วแล้วมันก็ต้องออกไปในทางการกระทา ถ้าเราคิดไม่ดีเราโมโหให้เขาเี่ยคิดไม่ดีเอบางอย่างน้อยกับตาเขียวหรือตาเขมงไม่เป็นมิตรกับใครนะพอะตาออกไปทางตาจากนั้นก็นคำพูดออกไปต่อจ น, นั้นก็ออกงัดออกมวยเอใช้สตราอาวุธอะไรวไหเพราะอะไรเพราะมันคิดไม่ดีซะก่อนจะนั้นพูดออกไปกับพูดไม่ดีอีกเอด่าคู่ด่าคนอีกดูถูกเหยียดย้ำเขาอีกสรุปแล้วก็คือคิดไม่ดี เมื่อคิดไม่ดีทำออกไปก็ไม่ดีพูดออกไปก็ไม่ดีถ้าคิดดีพูดออกไปก็พูดดีทำออกไปก็ทำดีนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้มีสารานิจะทําทำเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวเรียกสารานิยธรรมมีหกอย่างท่านสอนพระน ะ, ะแต่เอาคราวาตเอาไปใช้ก็ได้ไม่เห็นผิดที่ตรงไหน เอาไปใช้ก็ได้คราวาตแตนี้ท่านสอนพระท่านว่าเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิสุสัมเนนทั้งต่อหน้าและรับหลังคือช่วยขนขวายดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีธุระการงานที่เราจะช่วยเหลือได้ทางกายให้ค้วาวแบบทางบริคองบริค้ารอะไรก็ตามเขาไปช่วยตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา เข้าไปตั้งวัจีกรรมคือการพูดแนะนำสั่งสอนองค์นี้ยังไม่มียังไม่รู้ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงหรือว่ายังไม่รู้ในเรื่องนี้นเข้าไปบอกกล่าวเออท่านอย่าทำอย่างนี้นะดูอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เราวเข้าไปตั้งกายกรรมวัจีกรรมวัจีคือคำพูดเข้าไปตั้งวจีกรร ม, รรร ม, รรรมในคำพูดสอนภิกษุสมมเนธเพื่อนกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง เอแล้วก็เข้าไปตั้งมนโนกรรมอตั้งต่อหน้าและรับหลังในเพื่อนพิสูจสัมมาเนนใครเข้าบอกมีเจตนาดีต่อเพื่อนพิสูจนสัมมาเนนแล้วก็รักษาศีลบริสุทธิ์ให้เสมอเหมือนเพื่อนพิสูจสั ม, มนเนนอื่นย่าให้หมู่เพื่อนลังเกียจ ต, ตัวเองว่าตัวเองย่อหย่อนตัวเองทําไม่ถูกทําผิดกฎระเบียบอแล้วก็เอ เป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกับเพื่อนภิกษุสามเณรอื่นคือทิฏฐิคือความเห็นเขาเห็นอย่างหนึ่งตัวเองเห็นอย่างหนึ่งมันก็เข้ากันไม่ได้เหมือนกันอันนี้ให้มีมีความเห็นเสมือนภิกษุสามเณรอื่นอย่าไปเห็นแปลกแตกต่างถ้าไปเห็นแตกต่างเราก็เข้าไปศึกษาเรื่องถามด้วยเหตุผลทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าหมู่ทั้งหลายเห็นอย่างหนึ่งตัวเองเห็นอย่างหนึ่ง และหมู่เห็นผิดเนี่ยตัวเองก็ต้องไปถามเต้องซักไซไลเลียงเพราะพูดกันได้เพาาราะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาแล้วนะและก็แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบทมให้แกเพื่อนภิกษุรรสมัมเนนอื่นไม่หวงไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวอันนี้ถ้าหากว่าคนเราที่อยู่ด้วยกันมีอติเลกลาบมาหรือว่ามีสิ่งขอ ง, ขอ ง, ของมา อย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปเอาลัดเอาเปรียบคนจนเกินไปก็แบ่งเฉลี่ยกันเพราะคนในชาติสมควรที่จะได้รับเฉลี่ยการแบ่งปันถ้ามีศาลานยธรทำทั้งหกประการอยู่ในชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นก็มีแต่ความเจริญเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งวัจจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตารักษาศีลละษากฎหมายให้เหมือนภิกษุ ให้คนน้นคนในชาติแล้วก็มีทิฏฐิคือความเห็นเป็นแนวแถวเดียวกันแล้วก็แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมถ้าเรามาพิจารณาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหลวงพ่อว่าพระองค์สอนถูกต้องสอนมาทั้งสองพันกว่าปีนะส0 0กว่าปีถ้านำมาปัดฝุ่นนำมาพิจารณานำมาใช้กับประเทศชาติบ้านเมือง อย่างยุคสมัยนี้ก็มีแต่ความสงบร่อมเย็นเป็นถุกถ้าใช้ธรรมะเหล่านี้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นทีแล้วต่างคนก็ต่างหมู่ของข้ากลุ่มของข้าก็เลยเนี่ยนะหับห้ำหันกันด้วยวาทะต่อไปกันนั่นเอพอวาทะก็คือคำพูดซะก่อนต่อไปก็ลงหมัดลงมวยเนี่ยใช้ของแข็งขึ้นไปเรื่อย ผลที่สุดนะะมิค่สัญญีความจีบหายจะเข้ามาสู่ชุมชนสังคมของพวกเราเ อ, อได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับพวกเราที่อยู่ข้างนอกอยู่อย่างพวกเรานี่แหละให้ได้ใช้ความคิดเ อ, อเราจะอยู่ในชุมชนและสังคมใดก็ขอให้ดูดูไข้ ค, ควรทบทวนดูอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไร ก็น่าจะเอาปฏิบัติอย่างนั้นนะเราปฏิบัติอย่างนั้นได้แล้วหลวงพ่อว่าความสงบราบรื่นเรียบร้อยก็เกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราแต่เดี๋ยวนี้มันลักษณะนี้น้าห่วงสุลุบแล้วคือเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันต่อไปนั้นก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันผู้แทนเรานี้จะได้บริหารประเทศหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ สรุปแล้วคือคือความอิจฉากันเนี่ยนะความอิจฉากันไม่รู้กลุ่มไหนตะกลุ่มไหนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่เนะีย่ยจะไปอิจฉาเขานะให้แผ่เมตตาตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขเทพเจ้าเหล่าเทวาอยู่ชั้นไหนที่มีอำนาจปุ่นหนักสักใหญ่ขอให้มองดูประเทศไทยขอให้ประเทศไทยทุกคนให เป็นสัมมาทิฏฐิคิดไปในทางที่ถูกต้องทำในทางที่ถูกต้องพูดไปในทางที่ถูกต้องด้วยอำนาจบุญบา ร, รมีของประเทศชาติที่ได้บําเพ็ญมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเทพเจ้าเหล่าเทวาท่านใดที่ได้บําเพ็ญอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยจะเป็นพระก็ตามจะเป็นฆรวาดญาติโยมท่านผู้ใดก็ตาม บำเพ็ญและขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมเอก็ขอให้ลงมามองดูประเทศไทยในช่วงนี้พราะประเทศไทยในช่วงนี้รู้สึกว่าวิกฤตเข้ามาอย่างมากทีเดียวเออถ้าหากว่าเทพเจ้าเหล่าเทวาไม่ลงมาช่วยคราวนี้เนะี่ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นได้ไ ง, ง่ายๆเหมือนกันนะเออเพราะนั้นพวกเรามีต้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจอย่างนี้แหละที่ท่านบำเพ็ญ ได้ประโยชน์หรือว่าได้บำเพ็ญบุญกุศลได้ประเทศไทยที่ท่านได้ดิบได้ดีขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมฮะก็ขอให้มองประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้สงบระงับไปในทางที่ดีไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมฮะถ้าว่าผู้ใดคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วก็ให้แพ้ภัยตัวเองไปถ้าผู้ใดคิดดีทาดีก็ให้เจริญเป็นผู้ อ, อดูแลประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปแต่นีนเราไม่ได้ว่ากลุ่มนั้นดีกลุ่มนี้ไม่ดี อ, อกลุม่มในชั่วมันชั่วทั้งหมดแต่หัวใจของเราเราคิดชั่วเราจะปว่าดีได้ยังไงบางครั้ง อ, อแต่เราคิดดีเราจะว่าชั่วได้ยังไงเราภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธเนี่งมันก็ดีเลยสิใช่ไหมถ้าคิดที่มามโมโหโกธาจ ะ, จะไปฆ่าคนนั้นจะไปเตะคนนั้นจะไปด่าคนนั้นเราจะว่าดีได้ยังไงใช่ไหมมันออกไปจากจากใจของเราเนี่แหละ มันอยู่ที่ใจของเราออกจากใจของเราคนอื่นก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละคนที่คิดชั่วทําชั่วพูดชั่วมันมีอยู่ที่ทําให้เดือดร้อนวุ่นวายแต่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันนว่าใครเป็นคนคิดดีคิดชั่วถ้าจะเอาพิภากษาเหตการมาตัดสินกน็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่รู้ว่าใครคิดเท่าไรต่อเท่าไหร่มันก็ยากอย่างเดียกันนะพี่น้องศรัทธาญาดโยมโลกลานนะถ้าหลวงพ่อพูดไปก็ยิ่งไกลไปเรื่อย บ้านเมืองน่ยพราะมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดมันเป็นของพวกเราทุกคนถ้าบ้านเมืองเดือดร้อนน่ยพระสงฆ์จงหอเลาะแฮ่แห่แห่ยก็ไม่ได้สิพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันนั่นแหะจะทํำยังไงจะจะช่วยยังไงให้ประเทศชาติล่มเย็นเป็นถูกได้มีแต่ภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเท่านั้นแหะแต่เราจะเข้าไปชกไปต่อยไปตีกับเขาเท่านั้นอา้าวจะไหวยังไงลูกหลาน จังไงยังไงให้มีเมตตาต่อกันนะ้ะลูกหลานเนอะศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะให้มีสัมมาทิฏฐิเนอะลูกหลานเนอะใครผิดใครถูกรู้กแก่จิตรู้กแก่ใจของเราใครก็รู้นะศึกษามาขนาดนี้ปริญญาตรีโทเอกขนาดนี้ไม่รู้เหรอผิดหรือถูกถ้าใครรู้ว่าผิดถูกยังไงให้ถอยถอยกลับมาซะอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกเราก็มีแต่ แนะนำบอกกล่าวหรือตังกิจอธิษฐานเท่านั้นและลูกหลานเยเอาต่อไปตอนที่ไปพระสูงอนุโมทนาให้พรนะทีนะ